บทที่9อายุของบุคคลในโลกทิพย์มีเรื่องที่ผมรู้สึกสงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับท่านโรเยอร์กล่าวกับข้าพเจ้าหลังจากที่เราได้กลับมาจากการไปเยี่ยมโบสถ์มาถึงบ้านข้าพเจ้าแล้วอย่างเดียวเท่านั้นหรือเธอว่าไปได้เลยถ้าตอบได้รูธและฉันก็ยินเดียวที่บายให้ฟังอย่างเต็มที่ทีเดียวคืออย่างนี้ครับ ทำไมผู้คนที่นี่จึงแลดูหนุ่มสาวหมดทุกคนเท่าที่ผมจำได้ยังไม่เคยเห็นคนแก่ที่ไหนเลยอันที่จริงเธอเคยได้เห็นแล้วเหมือนกันโรเยอร์เว้นแต่ว่าคนแก่เหล่านั้นไม่ได้เป็นคนแก่อย่างที่เธอหมายถึงเท่านั้นเองผมอยากถามอะไรสักหน่อยครับแต่ถ้ามันจะเป็นการล่วงเกินไปก็ขออาภัยด้วยคือว่าท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับ ไม่ต้องกลัวในเรื่องนั้นดอกเธอที่นี่ไม่มีใครใจน้อยเหมือนไดโลกมนุษย์เลยโดยเฉพาะในเรื่องการถามอายุกันแม่รูทเองก็รับรองว่าจะไม่เคลือนเลยหากเธอจะถามว่าอายุเท่าไรแล้วผู้หญิงใดโลกมนุษย์ถือกันนักหนาว่าถ้าใครถามเรื่องอายุเราก็เป็นการหยาบคายมากแต่ที่นี่ไม่มีใครถือเรื่องนี้กัน เพราะไม่มีใครค่อยคิดถึงเรื่องนี้กันนั่นเองแต่อันที่จริงเรื่องนี้ก็น่าถามอยู่เหมือนกันเพราะอย่างน้อยก็เป็นความรู้ที่น่าศึกษาสาหรับผู้ที่ชอบในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเสมอสหรับอายุของฉันนะโรเยอร์เมื่อตอนที่ฉันเข้ามาสู่โลกนี้ฉันอายุได้สี่สิบสามและฉันก็อยู่ที่นี่มาได้สาสิบเจ็ดปีแล้วที่ฉันรู้เช่นนี้ได้ ก็เพราะฉันมีเรื่องติดต่อกับทางโลกมนุษย์อยู่บ่อยๆจึงสามารถกำหนดนับเวลาที่ล่วงไปได้โดยไม่ลืมเป็นไงเธอรู้อายุของฉันแล้วสินะโอ้โหเด็กหนุ่มอุทานงั้นท่านก็อายุ80แล้วสิครับใช่แล้วอายุ80กำลังหนุ่มแน่นทีเดียวแต่ผมดูท่านไม่น่าจะอายุถึงขนาดนั้นเลยนี่ครับ พูดถึงเรื่องท่าทางก็คงจะเป็นจริงเช่นที่เธอว่าเพราะอันที่จริงถึงแม้เดี๋ยวนี้ชัดก็ไม่แก่ไปกว่าตอนที่เพิ่งมาถึงที่นี่เลยจะมีผิดแปลกไปบ้างก็ตรงที่หนุ่มขึ้นกระมังเธอลองถ่ายดูอีกทีหรือว่าชั้นอายุเท่าใดรู้ถามขึ้นระวังให้ดีนะโรเยอร์เดี๋ยวจะถ่ายผิดข้าพเจ้าเตือนเป็นทำนองล้อ แต่ปรากฏว่าโรเยอร์ก็ไม่กล้าทายอันที่จริงถ้าเธอถ่ายว่าฉันอายุร้อยปีฉันก็รับรองว่าไม่โกรธเลยรูดกล่าวแต่ฉันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นดอกอายุที่แท้จริงของฉันก็คือ62นั่นเองแต่ผมดูคุณคล้ายกับอายุ25หเท่านั้นเองครับตอนที่ฉันเข้ามาสู่โลกนี้ก็อายุขนาดนั้นแหละ งั้นอย่างผมนี่อายุสักเท่าใดครับเพิ่งแรกเกิดยังแดงแดงกระมังรูตอบพร้อมกับหัวเราะ อ, อันที่จริงนั้นรูปร่างของเธอก็ไม่ผิดอะไรกับในตอนที่เธอเพิ่งมาถึงดอกโรเยอร์เว้นแต่สุขภาพเท่านั้นที่แตกต่างกันมากโดยเฉพาะก็คือแตกต่างกับตอนในระยะหลังๆที่เธอจวนจะต้องจากโลกมนุษย์มาสู่ที่นี้ ในตอนนั้นเธอแย่มากทีเดียวเป็นเพราะความเจ็บป่วยที่ทําให้ต้องจากโลกมนุษย์มาสู่โลกนี้นั่นเองเธอเห็นแล้วใช่ไหมโรเยอร์ข้าพเจ้ากล่าวในโลกทิพย์นี้อายุที่นับกันเป็นปีปีไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะในที่นี้วัยที่เรียกว่าวัยหนุ่มสาวนั้นเป็นวัยที่ถาวรของเราทั้งหลาย บุคคลที่ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้ก่อนถึงวัยหนุ่มสาวเช่นตอนที่ยังเป็นทารกอยู่หรือเช่นเธอเป็นต้นก็จะเคลื่อนไปสู่วัยหนุ่มสาวยิ่งขึ้นตามลำดับการและเมื่อถึงวัยนั้นแล้วก็จะคงที่อยู่แค่นั้นตลอดไปทีนี้หากบุคคลผ่านเข้ามาสู่โลกนี้เมื่อเลยวัยหนุ่มสาวไปแล้วเช่น เข้ามาเมื่ออายุ80หรือมากกว่านั้นเป็นต้นยิ่งอยู่ไปอยู่ไปเขาก็จะย้อนกลับไปสู่วัยหนุ่มสาวยิ่งขึ้นทุกทีเข้าใจไหมโรเยอร์ฟังฟังดูก็น่ารื่นรมดีครับก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ก็น่ารื่นรมและมีเหตุผลดีทั้งนั้นเราทั้งสามหัเราะขึ้นพร้อมกันเมื่อได้ยินคําชมพวกกันเอง นี่แหละโรเยอร์ er. เราอาจจะโหเราะในการที่มันเป็นเรื่องที่น่าขำก็จริงแต่มันก็มีความจริงอันยิ่งใหญ่แฝงอยู่ทีเดียวเพราะกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุผลและเป็นไปอย่างยุติธรรมทั้งสิน้นเรื่องนี้แหละจะทําให้เธอเห็นได้ว่าการที่จะเดาอายุของบุคคลในโลกนี้เป็นของยากอย่างยิ่งเธอยิ่งอยู่ในโลกนี้นานไปเท่าใด ก็จะยิ่งเห็นว่าวันเดือนปีในโลกมนุษย์สั้นเหลือเกินยกตัวอย่าง r ร d i a n t Wing วิก็ได้ในตอนนี้เธอจะเดาไม่ได้เลยว่าเขาควรจะมีอายุสักเท่าใดแต่เมื่ออยู่ไปนานขึ้นสักหน่อยเธอก็จะมีความรู้พอสมควรพอที่จะโนุ ม, มานได้บ้างว่าบุคคลนั้นๆ น, น, น่าจะมีอายุประมาณสักเท่าใด เมื่อคิดถึงอายุของเขาในโลกนี้รวมเข้าไปด้วยจริงครับผมเดาไม่ถูกเลยว่าเขาอายุสักเท่าใดแน่พูดถึงท่าทางดูเขาก็เป็นคนหนุ่มคนหนึ่งนั่นเองแต่เมื่อฟังเขาพูดจาแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีอายุไม่น้อยเหมือนกันยากมากโรเยอร์ทาะที่นี้ไม่มีร่องรอยแห่งความชราเช่น ริ้วรอยย่นบนดวงหน้าหรือตามร่างกายให้เป็นที่สังเกตได้เลยเธอพอจะกะได้ไหมว่าเรเดียนทวิงน่าจะอายุประมาณเท่าใดไม่ได้แน่ทีเดียวครับผมไม่กล้าทายเลย <S <S เขาอายุประมาณห0ร้อปีมาแล้วโอ้โหหน้าอัศจรรย์จริงๆยังหรอกยังไม่น่าอัศจรรย์เท่าใดเธอจำโอมาได้ไหม นั่นแหละเข้าอายุสองพันปีท่านชาวอียิปต์ยิ่งแก่กว่านั้นอีกเข้าอายุประมาณ 5,000 ปีเป็นไงสมกับที่นายพระคัำพีว่าไว้ไหมว่าฉันจะให้เขามีอายุยืนยาวนับไม่ไหวทีเดียวโลกทิพเป็นโลกที่ไม่มีอายุโรเยอร์ไม่มีรอยโย่นที่หน้าไม่มีศรีรษะงอกไม่มีผิวหนังที่ซูบซีดเหี่ยวแห้ง ไม่มีความเงื่อห่อยของการเคลื่อนไหวร่างกายกระแสเสียงก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเสียงแหบแห้งร่างกายก็ไม่มีการอ่อนเพลียจจตใจก็ไม่มีการหลงลืมปั้มปั้มเป๋อเปอจะ ก, กลายเป็นเด็กใหม่ไปอีกเมื่อสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ไม่มีเลยแม้แต่อย่างเดียวแล้วเราจะทายอายุของบุคคลได้อย่างไรถ้างั้นโลกทิพนี้จะมีอายุสักเท่าใดครับ โปรเยอร์ถามนี่สิเธอปัญหาข้อนี้สําคัญไม่เชลเล่นเข้าไเจ้าตอบเธอย่อมรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าสภาวะที่เป็นอนันตการนั้นย่อมไม่มีเบื้องต้นและอนันตการนี้ก็เช่นเดียวกับอมตะธรรมเหมือนกันย่อมพิสูจน์ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เธอจะพึงทําได้ในเรื่องนี้ก็คือต้องสืบถามดูว่า ใครมีความเห็นว่าอย่างไรในเรื่องนี้แล้วเธอจะพบว่าทุกคนล้วนมีความเห็นอย่างเดียวกันทั้งสิน้นคือว่าโลกนี้รวมทั้งตัวเราด้วยเป็นสภาพอนาตการหรืออีเทอร์เตี่เหมือนกันทั้งสิน้นเราทุกคนเป็นสิ่งที่เทียงแท้ถาวรหรือ permanent เพราะว่าถ้าไม่เทียงแท้ถาวรแล้วสิ่งต่างๆที่แวดล้อมอยู่นี้จะมีประโยชน์อะไร ดังนั้นจึงเป็นอันลงมติได้เลยทีเดียวโรเยอร์ว่าสภาพสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ย่อมมีอยู่เป็นอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยถ้าเรายังไม่แน่ใจในเรื่องเช่นนี้ท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปก็ยังจะเป็นพยานยืนยันความจริงข้อนี้แก่เราได้และถ้าท่านเหล่านี้จะกล่าวคำไม่จริงแก่เราก็เป็นอันว่า ไม่มีความจริงอะไรอีกแล้วในสากลจักรวาลทั้งปวงแต่เราก็มีอำนาจสร้างสรรค์ของเราเองบ้างเหมือนกันโรเยอร์เพียงแต่ว่าเธอยังไม่ได้เห็นเราทำงานเท่านั้นต่อไปเธอจะเห็นผู้เชี่ยวชาญในทางนี้สร้างบ้านให้ผู้อื่นอยู่สักครั้งหนึ่งหรืออาจจะเป็นการสร้างที่ยิ่งใหญ่กว่าบ้านเช่นอาคารหรือวังอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ เราสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ก็โดยอาศัยพลังที่มาจากแหล่งที่ยิ่งใหญ่นั้นทั้งสิน้นเธออาจจะสงสัยว่าถ้าหากแหล่งที่ยิ่งใหญ่นั้นงดหรือตัดอำนาจดีเสียไม่ส่งมาให้เราแล้วเราจะทำอย่างไรขอให้ทราบว่าความคิดเช่นนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยพลังเรือ่มอนาานี้ได้มีอยู่คู่กับเรามาตั้งแต่สร้างโลกแล้ว เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะนำมาคิดเลยทีเดียวเธออาจจะตกใจเมื่อเห็นตัวเลขเป็นแถวยาวเหยียดซึ่งหมายถึงอายุของโลกมนุษย์และโลกทิพย์เรื่องเช่นนี้อาจจะเป็นไปได้ในสมัยก่อนแต่ในสมัยนี้เราได้มีความคุ้นเคยพอสมควรจากการได้เห็นตัวเลขยาวเหยียดในงบประมาณแผ่นดินบ้างในวิชาดาราศาสตร์บ้าง ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะเรียงกันเป็นแถวยาวนับด้วยจำนวนล้านล้านทีเดียวดังนั้นฉันคิดว่าเมื่อเธอเห็นตัวเลขซึ่งเป็นอายุของโลกทิพย์แล้วก็คงจะไม่ถึงกับตกใจเท่าใดนักอายุของโลกทิพย์เท่าที่จะบอกให้เธอทราบได้โดยประมาณก็คือโลกทิพย์นี้เกิดก่อนโลกมนุษย์อย่างแน่นอน ความจริงข้อนี้เรารู้มาจากท่านที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปดังนั้นหากตามที่นักวิทยาศาสตร์คำนวณไว้ว่าโลกมนุษย์มีอายุรวมเป็น 3,000 ถึง4ี่พันล้านปีแล้วก็เป็นอันว่าโลกทิพย์ต้องมีอายุแก่กว่านี้อีกเป็นไงเธอได้ฟังตัวเลขจำนวนปีอายุของโลกแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างทีนี้ลองคิดดูอีกทีว่า เมื่อโลกทิพย์มีอายุมากกว่าโลกมนุษย์เช่นนั้นแล้วก็แปลว่าในโลกทิพย์นี้ก็จะต้องมีใครสักคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งสามารถจะกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่ามีอายุเป็นพันล้านปีทีเดียวเธอลองเทียบอายุของพวกเราที่ว่ามากกว่ากับบุคคลรุ่นนี้ดูทีหรือแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างแหมผมคิดแล้วอ่อนใจเลยครับ โรเยอร์ตอบก็น่าอ่อนใจอยู่บ้างเหมือนกันโรเยอร์แต่อันที่จริงสิ่งที่ควรอ่อนใจนั้นไม่ใช่อยู่ที่ลำพังตัวเลขที่เป็นแถวยาวเหยียดเช่นนั้นดอกเพราะเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือความรู้ของท่านเหล่านี้นั่นเองเธอยังไม่ได้ไปเห็นดอกแต่สักวันดึงเธอก็จะได้เห็นสำหรับรูดและฉันนั้นได้ไปเห็นมาแล้วคือได้ไปถึงภูมิชั้นสูงสุด อันเป็นที่อยู่ของท่านเหล่านี้เลยทีเดียวเธอจําโอมาได้ไหมโอมานั่นแหละเป็นผู้ใกล้ชิดของท่านผู้นี้หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมือขวาของท่านผู้นี้ทีเดียวนี่แหละเห็นไหมเธอถามคําถามง่ายๆแต่ฉันต้องคอยตอบแทบแย่จริงครับผมไม่ควรจะถามเลยเปล่าฉันไม่ได้หมายความเช่นนั้นดอกโรเยอร์ ฉันต้องการจะบอกให้เธอรู้ว่าคำถามนี้ตอบยากอย่างยิ่งเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรมันเป็นเรื่องที่เธอก็ควรจะต้องถามและควรรู้ด้วยเหมือนกันแต่เธอก็ควรจะต้องระลึกไว้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่ายังมีเรื่องอีกหลายสิ่งหลายประการด้วยกันที่เรายังรู้ไม่ได้ทางนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นความลับอะไรดอกแต่เป็นเพราะว่า เราต้องศึกษาให้มากขึ้นกว่านี้เสียก่อนจึงจะรู้ได้ด้วยสติปัญญาของเราเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จะไม่ทำให้เราสามารถรู้และเข้าใจอะไรได้ทุกอย่างเลยเรื่องเช่นนี้ก็เหมือนกันกบการเรียนหนังสือนั่นแหละโรเยอร์เธอจะต้องเรียนรู้ความจริงตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไปเป็นลาดับเสียก่อนการที่เธอหรือใครๆก็ตาม จะรู้ความจริงขั้นสูงสุดให้ได้ในชั้นต้นเลยนั้นยังเป็นไปไม่ได้ชั้นใดความรู้และความเข้าใจของเราทั้งหลายในที่นี้ก็เป็นเช่นเดียวกันและเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะก้าวหน้าไปไม่ได้เพราะไม่ได้รู้ความจริงขั้นสูงขึ้นไปเหล่านั้นมีหลักอยู่ว่าเราจะเข้าใจความจริงเช่นนี้ได้เองเมื่อเรามีฟูมธรรมสูงขึ้นไปอย่างไรก็ตาม การถูกเถียงถึงเรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีโทษมีภัยแต่อย่างไรเพราะอย่างน้อยก็ทําให้เรามีความรู้ความเข้าใจดีขึ้นได้บ้างเหมือนกันภายในขอบเขตที่จิตใจของเราสามารถจะเข้าถึงได้โลกนี้เป็นโลกที่มีเหตุผลอย่างยิ่งโรเยอร์โดยที่เธอได้เห็นความจริงต่างๆมาด้วยตนเองแล้วอย่างไรก็ตาม การที่บุคคลใดผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสูญเสียปัจจาตลักษณะหรือ i อ e n t i t y หรืออุปนิสัยใจคอแต่เดิมของเขาไปทั้งหมดเรื่องเช่นนี้ถ้าจะมีความจริงอยู่บ้างก็มีแต่เพียงว่านิสัยบางประการที่ติดเมื่ออยู่กับกายเนื้อในโลกมนุษย์นั้นย่อมหมดไป และเขาก็จะมีนิสัยหรือลักษณะทั่วไปของบุคคลในโลกทิพย์แทนที่โอมากับผู้ช่วยของเขานั้นสองคนนี้อายุต่างกันประมาณสามพันปีของโลกมนุษย์แต่เธอสามารถสังเกตดูลักษณะภายนอกแล้วบอกได้ไหมว่าใครแก่กว่าใครไม่ได้แน่ครับท่านพวกเราและคนอื่นทั้งหมดอีกนับเป็นจำนวนล้านๆก็แบบเดียวกันนี่แหละ คือดูอายุไม่ออกเลยสำหรับบุคคลที่เรารู้จักกันดีในโลกมนุษย์ล่ะครับจะเป็นอย่างไรเธอหมายถึงบุคคลในสมัยก่อนหรือในสมัยปัจจุบันทั้งสองอย่างนั่นแหละครับถ้าเป็นบุคคลในสมัยก่อนก็มีเรื่องที่จะต้องกล่าวหลายอย่างด้วยกันเพราะบางทีก็ไม่มีรูปภาพที่ถูกต้องกับความเป็นจริงของบุคคลผู้นั้นอยู่เลยในโลกมนุษย์เมื่อเป็นเช่นนี้ ถึงแม้ว่าเธอจะได้พบบุคคลเช่นนั้นในโลกทริปนี้เธอก็คงจะไม่นึกว่าเป็นเขาเลยเป็นอันว่าสำหรับบุคคลเช่นนี้ไม่มีใครจำเขาได้อีกต่อไปนี้เป็นเหตุประการที่หนึ่งซึ่งแสดงว่าแม้รูปร่างภายนอกของบุคคลเหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็ยังเป็นการยากที่เราจะจำท่านได้และเหตุประการที่สองก็คือ ตามความเป็นจริงแล้วรูปร่างภายนอกนั้นก็มีการเปลี่ยนไปบ้างเหมือนกันเช่นแก่ก็กลับเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นหรือที่สูบซสีดก็ผ่องใสขึ้นเป็นต้นทีนี้สำหรับเกียรติยศหรือชื่อเสียงในโลกมนุษย์เล่าจะเป็นอย่างไรในโลกทิพย์เรื่องนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าชื่อเสียงเช่นนั้นจะมีรากฐานมาจากอะไรหรือมีแก่นแท้เพียงใดชื่อเสียงที่กลวง คือที่ยกยอปอปั้นอุปโลกกันขึ้นมาเองโดยไม่ได้มีคุณธรรมเป็นรากฐานก็ตามหรือชื่อเสียงที่เป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่งามก็ตามจะไม่มีความหมายเลยในโลกทิพย์ในที่นี้ชื่อเสียงของบุคคลจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีคุณงามความดีเป็นรากฐานอยู่เท่านั้นบทที่สิบ การสร้างสรรในโลกทิพย์โรเยอร์เธอรู้สึกแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าบ้านหลังนี้ก็ดีตลอดจนถึงภูมิประเทศโดยรอบของโลกทิพย์ก็ดีเป็นของมีตัวตนอยู่จริงๆและเป็นของแข็งที่จับได้ถูกต้องได้จริงๆใช่ไหมแน่ใจทีเดียวครับโรเยอร์ตอบแต่เอ๊ะท่านถามทำไมครับก็เพราะว่ามนุษย์ในโลกโดยมากยังไม่ยอมเชื่อว่า โลกของเรามีอยู่จริงๆนะซีเขาชอบโมเมเอเองว่าโลกภายหลังมรณกรรมนั้นเป็นโลกที่เกิดจากการเลือกฝันไปเองทั้งนั้นจึงไม่สามารถที่จะมีตัวตนหรือเป็นของแข็งจริงๆเหมือนกับโลกมนุษย์ได้ผมพอจะเข้าใจแล้วครับโรเยอร์กล่าวทบทวนความจำเพราะว่าในขณะแรกที่ผมตื่นขึ้นมาบนเตียงในบ้านนี้นั้น ผมก็เคยนึกสงสัยเหมือนกันว่ามันจะเป็นความฝันหรือเปล่าหนอแล้วเธอคิดอย่างไรต่อไปตอนนี้ผมก็เห็นท่านแล้วคุณรูทนั่งอยู่คนละข้างเตียงของผมและก็ได้ยินท่านพูดจาต่างๆได้เหมือนกับคนธรรมดานั่นเองขอบใจเธอที่ยังอุตส่าห์เห็นฉันเป็นคนอยู่อ้าวผมไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกท่านหรอกครับอ้าวก็ฉันไปว่าอะไรเธอเล่า ข้าพเจ้าและรูธหัวเราะขึ้นมาพร้อมกันคือหมายความว่าตอนนี้ดูเหตุการณ์ก็เป็นปกติดีไม่มีอะไรน่าแปลกประหลาดอย่างใดคือไม่เหมือนกับฝันร้ายในบางครั้งเท่านั้นเองใช่ครับและผมก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ใช่ความฝันผมลองเอาเท้าเหยียบพื้นดูแล้วก็เป็นอันแน่ชัดได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของจริงและเป็นของแข็งอย่างแน่นอน ถูกต้องแล้วโรเยอร์ er. ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของจริงและของแข็งหรือเรียน n อน o l i d นี่แหละเป็นจุดสำคัญที่สุดที่ชาวโลกมนุษย์ไม่ยอมเข้าใจซะเลยว่าความคิดนั้นมีอำนาจเพียงไรแม้ว่าเขาจะมีความรู้ในเรื่องนี้อยู่บ้างก็จริงแต่ก็ยังเป็นความรู้ที่น้อยเหลือเกินอันที่จริงทั้งทั้งที่ชาวโลกมนุษย์ถือว่าโลกของตนเป็นโลกที่แท้จริง และเป็นของแข็งเป็นตัวตนนั้นเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าไม่เป็นความจริงเลยเธอลองนึกย้อนหลังไปถึงตอนที่เราทั้งสองเข้าไปนั่งในห้องในโลกมนุษย์ก็ได้ในตอนนั้นเราสามารถผ่านฝาหรือทะลุ ก, กำแพงไปได้อย่างสบายไม่มีติดขัดอย่างไรทั้งทั้ที่ฝาและกำแพงก็เป็นของแข็งแข็งของชาวโลกมนุษย์โดยแท้ แต่เราก็ไม่รู้สึกว่าฝาหรือกำแพงเหล่านั้นมีอยู่เลยในระยะนั้นเธออาจเห็นเราก็จริงแต่เขายังไม่อาจเห็นโลกทิพย์ได้ต่อจากนั้นชีวิตหนึ่งของเธอก็ดับวูบลงและอีกชีวิตหนึ่งก็ปรากฏขึ้นแทนที่กระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในห้องนอนของเธอหรือถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือ หน้าสถานที่อันเป็นที่ตั้งของห้องนอนของเธอนั่นเองมาถึงตอนนี้เธอได้อย่างลงสู่ความหลับแล้วคือรูทได้ทำให้เธอหลับไปชั่วขณะถ้าหากเธอยังตื่นอยู่เธอก็จะเห็นว่าสภาวะรอบห้องนอนของเธอมีหมอกควันปกคลุมอยู่ทั่วไปและบุคคลในห้องนั้นก็มีลักษณะเป็นหมอกควันไปได้เช่นเดียวกับตอนนี้ เราอาจจะขอยืมสำนวนของชาวโลกมนุษย์มาใช้พูดก็ได้ว่าห้องของเธอนั้นหรือโลกมนุษย์ในตอนนั้นมีสภาพคล้ายๆกับจะเป็นเพียงเงาๆเท่านั้นเองหาได้เป็นสภาพที่มีอยู่จริงหรือเป็นของแข็งๆแต่ประการใดไม่ถูกละเราไม่กล่าวเช่นนั้นว่าเรารู้ความจริงฝ่ายเดียวแล้วก็มายอมรับรู้ความจริงของอีกฝ่ายหนึ่งเลย ต่อจากนั้นไปเธอก็ได้กลายเป็นผู้ไม่มีตัวตนสำหรับชาวโลกมนุษย์แต่ก็เป็นผู้ที่มีตัวตนอย่างแท้จริงสำหรับพวกเราแล้วแต่สำหรับเธอเองโรเยอร์คงไม่มีเรื่องเรามากนักเพราะเธอยังไม่ได้มีความฝันเรื่องโลกหน้าของเธอโดยเฉพาะทั้งนี้หมายความว่าเธอยังไม่ได้มีเท็จทีที่ทำให้ทึกทักและยึดมั่นเอาเองว่า โลกทิพย์จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับผู้อื่นแล้วโลกมนุษย์กับโลกทิพย์แตกต่างกันอย่างไรครับแตกต่างกันโดยส่วนใหญ่มีดังนี้คือในที่นี้ไม่มีวัตถุที่หยาบดังเช่นในโลกมนุษย์มาเป็นเครื่องกลางกัน้นระหว่างตัวเรากับความคิดของเราในโลกมนุษย์นั้นก่อนที่จะสร้างอะไรขึ้นมาได้จะต้องมีความคิดวางแผนการกันก่อน และบ้างก็ต้องลงมือเขียนแบบกันอีกด้วยต่อจากนั้นก็ต้องทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโดยใช้มือหรือไม่ก็เครื่องจักรเธอเห็นไหมว่าจากความคิดกว่าจะสำเร็จเป็นวัตถุขึ้นมาได้ต้องใช้เวลาและต้องผ่านกรรมวิธีอันยุ่งยากและซับซ้อนเพียงใดแต่ในที่นี้เราตัดกระบวนการต่างๆในเรื่องนี้ทิ้งไปหมดได้เลยเพราะว่า เราสามารถให้ความคิดของเราอย่างเดียวทำงานได้ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพดีซะด้วยในโลกทิพย์ความคิดเป็นกลางกระทำที่ส่งผลให้เกิดขึ้นโดยตรงและทันทีทันใดและข้ อ, อยากที่ชาวโลกมนุษย์ไม่ยอมเข้าใจก็อยู่ตรงเรื่องนี้เองเขาอาจจะเชื่อว่าความคิดมีผลเช่นนั้นจริงแต่เขาก็คิดต่อไปว่าผลอันเกิดจากความคิดดังกล่าวนั้น คงจะเป็นเหมือนกับความฝันและเรื่องจากมีสภาพเป็นเพียงเงาๆก็คงจะอยู่คงทนไม่ได้นานย่อมจะละลายหายไปได้ง่ายเหมือนหมอกฉะนั้นเธอจะเห็นได้ว่าความเข้าใจของชาวโลกมนุษย์ในเรื่องนี้ผิดพลาดอย่างไรในโลกทิพย์นี้ความคิดมีอํานาจมากมายและกว้างขวางมากในโลกมนุษย์เพียงแต่คิดเท่านั้นยังไม่ได้ชื่อว่าทําอะไรได้ แต่ในที่นี้พอคิดเสร็จก็เป็นอัน ร, รมและเกิดผลทันทีข้อนี้หมายความว่าพอคิดเสร็จก็จะมีผลเป็นวัตถุขึ้นมาดังที่คิดไว้ทันทีอย่างไรก็ตามขอให้เธอระลึกไว้อย่างหนึ่งด้วยว่าความคิดที่ฉันกล่าวถึงในทีน่นี้ไม่ได้หมายถึงความอยากได้หรือความต้องการอย่างเดียวเช่นการก่อสร้างบ้านนี้เป็นต้น ก่อนที่จะปรากฏเป็นรูปบ้างขึ้นมาได้เราก็ต้องคิดกะโครงการกันโดยรอบคอบเสียก่อนว่าจะให้เป็นรูปหรือสวดทรงอย่างใดต่อจากนั้นช่างก่อสร้างและช่างปูนจึงจะรวมกันลงมือทํางานแล้วงานก่อสร้างดังกล่าวนี้ก็สําเร็จด้วยอํานาจของความคิดอย่างเดียวคือไม่ต้องอาศัยวัตถุก่อสร้างอย่างใดไม่ต้องมีร่างร้านไม่ต้องมีเครื่องจักรกลต่างๆเลย หลังจากที่ตกลงกะแผนการจนเรียบร้อยว่าจะก่อสร้างแน่แล้วท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็เริ่มใช้พลังความคิดหรือพลังจิตสร้างบ้านขึ้นมาได้และบ้านที่สร้างขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นบ้านจริงๆจับได้ถูกต้องได้อาศัยอยู่ได้และก็จะคงอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่เราต้องการจะให้มันคงอยู่เธอเห็นไหม ขณะนี้เรากำลังนั่งกันอยู่บนเก้าอี้และเก้าอี้ก็อยู่บนพื้นห้องในบ้านเหมือนกับในโลกมนุษย์นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราไม่ใช่ความฝันเลยถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าหากเราต้องการจะสร้างหรือทำอะไรขึ้นมาเราก็ต้องหัดรู้เรียนซะก่อนใช่ไหมครับโรเยอร์ถามแน่นอนที่สุดตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ หากเธอนึกอยากจะทําโต๊ะสักตัวหนึ่งเธอจะทําขึ้นได้ไหมไม่ได้ทีเดียวครับอย่าว่าแต่เธอเลยฉันเองและรูทก็ยังทําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยหัดมาก่อนรูทเคยทําผ้าม่านสําหรับแขวนที่ฝาผนังห้องเหมือนกันแต่เธอทําโดยอีกวิธีหนึ่งคือเธอทําโดยใช้เครื่องจักรซึ่งเครื่องจักรนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญทําขึ้นให้เหมือนกัน เครื่องจักรเหล่านี้ก็เป็นเครื่องจักรจริงๆไม่ใช่ของหลอกๆเป็นเงาๆแต่อย่างใดเลยเธอเคยเห็นเขาทำดอกไม้บ้างไหมยางเลยครับอยากดูมก็ดีทีเดียวครับงั้นไปกันเดี๋ยวนี้เลยไปดูผู้เชี่ยวชาญเขาทำกันในระหว่างการเดินทางเราได้อธิบายให้โรเยอร์ฟังว่าบุคคลผู้ที่เรากำลังจะไปหานี้ เมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์เป็นผู้มีนิสัยรักดอกไม้ดังนั้นเมื่อเข้ามาสู่โลกทิพย์แล้วก็ได้ทำงานที่ตนรักต่อไปคือในปัจจุบันมีหน้าที่ดูแลรักษาสวนดอกไม้ผมคิดว่าดอกไม้ที่นี่งอกอย่างเดียวกับในโลกมนุษย์ใช่อีกครับโรเยอร์กล่าวคือโดยการปลูกมเมล็ดลงในดินแล้วปล่อยให้มันงอกขึ้นมาเอง แต่ฟังตามที่ท่านพูดผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่เช่นนั้นเสียแล้วเราไปให้ถึงเสก่อนเถอะโรเยอร์แล้วเธอจะได้เห็นเองนี่ไงเธอเห็นหรือยังสวนดอกไม้ที่เราต้องการมาพบอยู่ที่นี่เองเบื้องหน้าเราเป็นอาณาเขตอันกว้างขวางของสวนดอกไม้ซึ่งประกอบด้วยดอกไม้นาน า, นาพันธุ์และมีสีต่างๆกันเต็มไปหมดนอกจากนั้น ยังมีต้นไม้ต่างๆขนาดตั้งแต่ยังเป็นหน่อเล็กๆจนถึงขนาดสูงใหญ่โมโหลานเป็นอันว่ารอบตัวเราในบัดนี้มีต้นไม้และดอกไม้แวดล้อมอยู่โดยรอบทำให้เกิดความชุ่มชื่นอย่างบอกไม่ถูกแล้วเราก็ชวนกันเดินไปตามทางที่นำไปสู่บ้านหลังใหญ่ท่ามกลางภูมิประเทศอันงดงามนี้เนื่องจากข้าพเจ้าได้ส่งกระแสจิต บอกให้ท่านเจ้าของบ้านทราบล่วงหน้าถึงการมาเยี่ยมของเราแล้วพอไปถึงหน้าประตูจึงปรากฏว่าท่านเจ้าของบ้านได้ออกมาคอยต้อนรับเราอยู่ก่อนแล้วโรเยอร์ได้แสดงความประหลาดใจยอย่างยิ่งที่ได้ยินคำพูดแสดงว่าท่านได้รู้ล่วงหน้าถึงการมาของเราดีรูธจึงอธิบายว่าเราได้ส่งข่าวให้ท่านทราบก่อนแล้ว ด้วยกระแสความคิดของเราซึ่งมีผลเท่ากันหรือดีกว่าการมาบอกด้วยตนเองสอีกเราได้แนะนำโรเยอร์ให้ท่านเจ้าของบ้านรู้จักว่าเป็นผู้ที่เพิ่งมาถึงใหม่และแจ้งว่าเด็กหนุ่มต้องการจะเห็นกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ด้วยตนเองได้การพ่อหนุ่มถ้าเธอต้องการดูการสร้างดอกไม้แล้วก็แปลว่าเธอมาถูกที่แล้ว ท่านเจ้าของบ้านกล่าวโรเยอร์ขณะนี้รู้สึกว่าจะมีความกล้าและคุณเคยต่อขนบธรรมเนียมของโลกทิพย์อยู่บ้างแล้วจึงถามขึ้นทันทีท่านมีหน้าที่ผลิตดอกไม้ขึ้นสําหรับโลกทิพย์นี้ทั้งหมดหรือครับเปล่าเลยเธอหน้าที่ของฉันไม่ได้กว้างขวางถึงขนาดนั้นหรอกท่านตอบยังมีอีกหลายแห่งที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกับฉันในที่อื่น หน้าที่ของฉันมีขอบเขตแต่บริเวณนี้เท่านั้นอ้อแต่ว่าเธอต้องการจะมาดูการทำงานของฉันไม่ใช่หรือเข้ามาข้างในดูผลงานบางอย่างของฉันก่อนเถอะโดยรอบบริเวณในที่ใกล้ๆ้นี้เราสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าต้นไม้ดอกแต่ละต้นนั้นช่างมีดอกมากมายเหลือเกินเมื่อคิดเทียบส่วนกันกับในโลกมนุษย์เธอสังเกตดูให้ดี จะเห็นความแตกต่างบางอย่างระหว่างดอกไม้ที่นี่กับในโลกมนุษย์ประการแรกก็คือดอกไม้ในโลกมนุษย์จะร่วงโรยไปเองตามการเวลาแต่ที่นี่มันจะคงอยู่เช่นนั้นตลอดไปเท่าที่เราต้องการให้มันคงอยู่ประการที่สองต้นไม้ในโลกมนุษย์จะต้องมีดอกที่ยังอยู่ในฝักเสียส่วนหนึ่งเสมอดังนั้น ทำอย่างไรก็ไม่สามารถจะมีดอกให้เต็มต้นได้แต่ที่นี่ไม่เป็นเช่นนั้นดอกไม้ทุกดอกจะบานเหมือนกันหมดจึงกล่าวได้ว่าจะไม่มีที่เปรียบเทียบกับในโลกมนุษย์ได้จริงๆเรามองออกไปเบื้องหน้าในระยะไกลและก็ได้เห็นแปลงดอกไม้อันสวย ง, งามยาวเหยียดเจ้าขอบรูทเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วแต่โรเยอร์เพิ่งได้มาเป็นครั้งแรก ทัศนียภาพอันงามเหมือนกับความฝันที่เห็นอยู่เบื้องหน้าทำให้เขารู้สึกดูดดื่มจนพูดอะไรไม่ออกไปพักหนึ่งในแปลงดอกไม้เบื้องหน้าเรามีดอกไม้นานาชนิดทั้งที่มีอยู่ในโลกมนุษย์และเป็นของทิพย์โดยเฉพาะดอกไม้เหล่านี้ที่เป็นดอกไม้ที่มีปรากฏแต่ชื่อในวันคดีก็มีเป็นจำนวนมากมาย กลิ่นหอมชื่นใจของดอกไม้เหล่านี้แทรกซึมอยู่ในบรรยากาศโดยรอบทำให้เกิดความชุ่มชื่นอย่างบอกไม่ถูกเธอควรจะทราบไว้ด้วยว่างานดูแลรักษาสวนอันกว้างขวางมโหฬารเช่นนี้ถ้าหากเป็นในโลกมนุษย์จะต้องเป็นงานหนักอย่างเหลือหลายทีเดียวท่านเจ้าของสวนอธิบายให้โรเยอร์ฟังแต่ในที่นี้ เป็นเหมือนกับงานอดิเรกในยามว่างงานเท่านั้นเองฉันเองก็ยังไม่เคยเห็นว่าจะมีสวนที่ไหนในโลกมนุษย์ที่จะใหญ่เท่านี้หรือเปล่าแต่ก็ต้องขอบอกเธอว่าสวนนี้ยังหาใช่สวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกทิพย์ไม่ทำไมงานดูแลสวนอันใหญ่โตถึงขนาดนี้จึงเป็นเพียงงานอดิเรกในยามว่างได้ก็เพราะว่า เราไม่มีเรื่องที่จะต้องกังวลต่างๆดังเช่นในโลกมนุษย์เลยข้อแรกก็คือเรื่องอากาศดินฟ้าอากาศที่นี่สดชื่นเป็นเครื่องอำนวยความเจริญเติบโตของพืชอยู่ตลอดการเรื่องที่สองคือเรื่องดินก็เป็นอันเลือกวิตกกังวลได้เรื่องที่สามก็คือเวลาในโลกมนุษย์การปลูกต้นไม้จะต้องรอเวลาอันสมควรเสมอ ก่อนที่มันจะมีดอกมาให้เราชมแต่ในโลกทิฟเราสามารถสร้างต้นไม้ขึ้นมาพร้อมกับให้มีดอกในทันทีได้เลยและจะต้องการให้มีสีอย่างใดก็ได้ทั้งสิน้นและจํานวนดอกนั้นเราจะให้มีเพียงดอกเดียวหรือหลายดอกก็ได้ตามใจชอบแต่เธออย่าเพิ่งคิดนะโรเยอร์ข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นว่าผู้รักษาสวนที่นี่ช่างมีงานทําน้อยเหลือเกิน และคงจะเป็นคนขี่เกียจใช่เป็นส่วนมากอันที่จริงแล้วเขาเป็นอัจฉริยะในทางนี้ทีเดียวเขามีผู้ร่วมงานอีกหลายคนซึ่งล้วนมีหน้าที่รับผิดชอบในความงามน่ารักของดอกไม้เหล่านี้ทั้งหมดเราเดินตามท่านเจ้าของสวนไปตามทางเล็กๆซึ่งมีดอกไม้นาน า, นาพันธ์ขึ้นอยู่โดยรอบท่านได้บอกว่าดอกไม้เหล่านี้มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ด้วยเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเพียงไว้ดูเล่นสวยๆเท่านั้นท่านครับโปรเยอร์ถามถ้าดอกไม้และต้นไม้ต่างๆไม่มีการตายเลยเช่นนี้เหตุใดจึงมีผู้ต้องการมากเหลือเกินน่ากลัวจะมีผู้ต้องการมากกระมังครับใช่แล้วท่านเจ้าของสวนตอบมีผู้ต้องการมากจริงๆบางคนต้องการขยายสวนเดิมก็มี และบางคนก็ต้องการเปลี่ยนของเก่าที่มีอยู่ให้เป็นชนิดใหม่เรื่องเช่นนี้ก็ตกเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยเหลือเสมอเข้ามาข้างในเถอะจะได้ดูของสวยงามอีกมากเราเข้าไปข้างในห้องอันกว้างขวางซึ่งมีหนังสือวางไว้บนหิ้งต่างๆมากมายท่านเจ้าของบ้านหยิบหนังสือออกมาเล่มหนึ่งและเปิดออกให้เราดู เห็นรูปดอกทิวลิปซึ่งเป็นรูปสอดสีอย่างสวยงามอันที่จริงถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องแล้วจะเรียกว่ารูปภาพก็น่าจะไม่ถูกนักข้าพเจ้าคิดว่าควรจะเรียกว่าคล้ายๆกับจะเป็นตัวอย่างของดอกทิวลิปดอกหนึ่งเสียมากกว่าเพราะสีสันวันนาของมันเหมือนกับดอกไม้จริงไม่มีผิดเพี้ยนเลยรูปภาพเหล่านี้เป็นของจาเป็นที่สุด ท่านเจ้าของบ้านอธิบายเพราะนักเรียนของเราต้องเรียนรู้รายการเรียนทุกอย่างก่อนที่จะสร้างมันขึ้นมาได้หลักความจริงมีอยู่ว่าก่อนที่เราจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใดขึ้นมาได้เราจะต้องรู้รายการอย่างละเอียดจะต้องเขียนทุกส่วนทุกตอนของสิ่งนั้นๆได้โดยไม่ให้มีข้อบกพร่องเลยทีเดียวมิฉะนั้นแล้วเวลาเธอสร้างขึ้นมา มันจะไม่เป็นวัตถุที่สมบูรณ์ในเรื่องนี้เธอจะถือแต่เพียงว่าเกือบใช้ได้แล้วเท่านั้นยังไม่พอเราจะต้องให้สมบูรณ์ขึ้นดึกให้เห็นและจําให้ได้โดยสมบูรณ์จริงๆ จ, งจึงจะใช้ได้เธอจะต้องหลับตามองให้เห็นทุกส่วนทุกแง่ทุกมุมของมันอย่างทะลุโปร่งเสียก่อนดังนั้นขั้นแรก ผู้หัดใหม่จึงต้องเรียนโดยวิธีการลองวาดภาพดูด้วยตนเองก่อนต่อจากนั้นก็ดูรูปภาพหรือดูของจริงก็ได้เมื่อจำได้จนติดตาติดใจแล้วจึงจะเริ่มลงมือสร้างได้ด้วยกําลังจิตหรือความคิดของตนเองเราออกจากห้องนั้นไปยังอีกห้องหนึ่งซึ่งมีรูปดอกไม้ต่างๆแขวนไว้ตามฝาผนังเป็นจานวนมาก ท่านเจ้าของบ้านได้ที่บายให้ฟังว่ารูปภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ส่งมาจากส่วนอื่นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ก, นกันกับภาพของเราที่ส่งไปเข้าบ้างสุดแล้วแต่ใครจะนึกคน้นคิดแบบใหม่ดีๆขึ้นมาได้เธอเห็นไหมโรเยอร์ er, เราทำงานก้าวหน้ากันเรื่อยไม่มีใครหยุดนิ่งหรือเกียดค้านเลยในที่สุดเราก็ได้เข้าไปยังห้องใหญ่ห้องหนึ่ง ซึ่งมีเด็กหนุ่มหลายคนกำลังทำงานกันง่วนอยู่เราได้รับคำบอกเล่าว่าเด็กเหล่านี้เป็นนักเรียนแผนการสร้างดอกไม้และหลังจากนั้นเราก็มาถึงจุดหมายของการพาโรเยอร์มาเยี่ยมในครั้งนี้คือมาดูกรรมวิธีในการสร้างดอกให้เห็นประจักษ์แก่ตาเราทุกคนลงนั่งกันรอบโต๊ะตัวหนึ่ง ท่านเจ้าของบ้านได้นําภาชนะอย่างหนึ่งมีรูปร่างคล้ายกระถางต้นไม้มาวางลมบนโต๊ะแล้วเอาดินใส่ลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วก็สั่งให้เราคอยดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขณะต่อไปให้ดีในขั้นแรกปรากฏว่ามีเพียงหมอกจางๆปกคลุมอยู่โดยรอบกระถางนั้นต่อมากลุ่มหมอกนี้ก็ค่อยๆปรากฏเป็นรูปร่างชัดขึ้นทุกที และเราก็ได้เห็นเป็นรูปคล้ายๆก้านดอกไม้อยู่ท่ามกลางหมอกนั้นภาพดังกล่าวค่อยๆปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นและในไม่ช้าเราก็เห็นเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างจางๆพร้อมทั้งมีสีสันวันณะด้วยพอที่จะทำให้เราเห็นได้ว่าเป็นดอกทิวลิปนั่นเองท่านเจ้าของสวนลุกขึ้นจากที่นั่ง หยิบกระถาขึ้นมาพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ส่งให้เราทุกคนดูกันจนทั่วเป็นดอกไม้ที่สวยงามทีเดียวถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังอ่อนแออยู่และยังมีสีจางอยู่บ้างก็ตามข้าพเจ้าส่งกระถาคืนให้ไปและท่านก็ได้รับไปวางไว้ที่เดิมใช้กําลังจิตเพ่งดูอยู่อีกครู่เดียวก็ปรากฏว่า ดอกไม้นั้นมีสีสันเหมือนของจริงและเป็นดอกไม้ที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกประการเป็นไงโรเยอร์เราได้ดอกไม้ใหม่อีกดอกหนึ่งแล้วเธอลองพิจารณาดูทีหรือว่ามันมีอะไรบกพร่องหรือผิดพลาดบ้างโรเยอร์รับไปพิจารณาดูแต่แล้วก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยมีสิโรเยอร์ท่านมองสินเยอร์และรู้รู้ดี แต่เธอยังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่ได้บอกให้ทราบนั่นเองโปรเยอร์รับดอกไม้ไปพิจารณาดูใหม่แต่ก็สารภาพว่าไม่เห็นมีอะไรบกพร่องเลยจริงๆถ้าว่ากันในแง่รูปลักษณะของดอกไม้แล้วมันก็ไม่มีอะไรผิดไปจากเดิมหรอกเพราะว่าเราได้สร้างสรรค์มันขึ้นมาอย่างสมบูรณ์จริงๆสิ่งที่ผิดไปหรือว่าที่ขาดไปก็คือ มันขาดพลังชีวิตที่จะรักษามันไว้ให้คงอยู่ตลอดการพลังดังกล่าวนี้เราให้มันไม่ได้เพราะต้องได้มาจากเบื้องสูงขึ้นไปซึ่งเราจะต้องแจ้งความประสงค์ขอไปก่อนแต่เราต้องแน่ใจจริงๆว่าสิ่งที่เราสร้างสารรค์ขึ้นนี้สมบูรณ์สมควรที่จะขอไปได้แล้วบางครั้งเราก็ทำผิดคือบกพร่องเหมือนกันเรื่องเช่นนี้ ก็เป็นเหมือนกับเด็กนักเรียนที่ทำแบบฝึกหัดหรือการบ้านผิดนั่นเองแต่ว่าการผิดเช่นนี้ไม่มีอันตรายอย่างใดดอกเพราะเราก็ยุบมันเสียให้วัตถุมันกลับคืนไปยังแหล่งเดิมของมันแล้วก็ตั้งต้นทําใหม่อีกตัวอย่างเช่นบางครั้งปรากฏว่ากลีบดอกไม้หายไปกลีบหนึ่งหรือดอกเกิดเบี้ยวไปข้างหนึ่งหรือว่าสีไม่ตรงกับความเป็นจริง เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่เราทำแล้วก็แก้กันไปเช่นนี้จนกว่าจะได้ที่เป็นที่พอใจจริงๆท่านจะต้องทำอย่างไรเวลาท่านขอพลังชีวิตให้ดอกไม้ต้องมีพิธีไหมครับโรเยอร์ถามไหนเธอหมายถึงพิธีทางาศาสนาใช่ไหมก็ทำนองนั้นแหละครับถ้าแบบนั้นแล้วก็ไม่มีแน่ทีเดียว เท่าที่เราจะต้องทำก็คือส่งกระแสความคิดขึ้นไปยังภูมิสูงดังที่ฉันได้บอกให้เธอฟังแล้วและก็จะมีใครคนหนึ่งรับกระแสความคิดของเราไว้ต่อจากนั้นก็จะมีกระแสพลังชีวิตส่งลงมาให้แน่ละพลังนี้มาจากแหล่งใหญ่ที่สุดแต่ก็ได้ส่งผ่านผู้ที่อยู่ในภูมิสูงผู้หนึ่งลงมาให้เรา เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างแท้จริงและจะไม่มีการขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดเลยขอแต่ให้เราสร้างดอกไม้ให้สมบูรณ์เสียก่อนก็เป็นการเพียงพอแล้วพอเราขอไปท่านก็จะส่งมาให้ทุกคราวโดยไม่มีการปฏิเสธและไม่มีการซักถามแต่อย่างใดดังนั้นเราจึงไม่เคยขอไปในเมื่อเรายังสร้างวัตถุขึ้นมายังไม่สมบูรณ์พอ อันที่จริงนั้นถึงแม้ว่าวัตถุจะยังไม่สมบูรณ์พอหากเราจะขอไปก็คงจะได้แต่ว่าเราก็ไม่ควรทำเช่นนั้นในชั้นแรกฉันจะตรวจดูงานของนักเรียนของฉันโดยเรียบร้อยซสก่อนถ้ามีอะไรยังจะแก้ไขได้ก็ทำเสียแต่ถ้ามันบกพร่องหรือผิดแปลกมากเกินไปก็จะยุบแล้วทำใหม่ เรื่องเช่นนี้ก็ทำได้ไม่ยากเท่าใดนักแต่ผมเองคิดว่ามันคงไม่ง่ายนักหรอกครับเข้าพเจ้ากล่าวกับท่านเจ้าของบ้านถ้าท่านให้ผมทำผมก็คงจะทำดอกไม้ซึ่งเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นเลยและซึ่งผมก็คงจะไม่ปรารถนาที่จะเห็นอีกด้วยไม่ถึงอย่างนั้นดอกหนะ้าท่านมองสิ้นเยอท่านเจ้าของบ้านตอบลองดูกันเดี๋ยวนี้ก็ได้เอาไหม ไม่ได้แน่ครับเข้าไปเจ้ากล่าวปฏิเสธผมใจคอไม่ดีแน่ยิ่งเห็นท่านทั้งสานั่งจ้องอยู่เช่นนี้ด้วยแล้วใจคอสั่นไปหมดเลยคนทั้งสามฮือร้อขึ้นพร้อมกันแต่แล้วการฝึกหัดจริงๆไม่ได้เป็นเช่นนั้นดอกท่านเจ้าของบ้านอธิบายผมกับนักเรียนจะเข้าไปในห้องกันสองต่อสองเท่านั้นดังนั้น เราจึงฝึกหัดและทดลองกันได้ตามลําพังโดยไม่ต้องกระดาษอย่างใดเลยท่านคิดว่ายังจะพอมีที่ว่างรับผู้ฝึกหัดใหม่ได้อีกสักคนหนึ่งไหมครับโรเยอร์ถามคือว่าผมอยากจะเรียนด้วยคนใช่ไหมท่านเจ้าของบ้านต่อให้รับรองเลยเธอไม่เป็นไรยังมีที่ว่างเหลืออีกมากพอแน่ทีเดียวแต่ในตอนนี้ เราสร้างดอกทิวลิปที่ค้างอยู่นี้ให้เสร็จกันซะก่อนดีกว่าคงไม่เสียเวลามากนักหรอกว่าแล้วท่านก็ประคองดอกไม้นั้นไว้ในอุ้งมือฉับพลันเราก็เห็นประกายแสงแวบวาบมาที่ดอกทิวลิปแล้วก็หายวับไปทั้งหมดนี้เป็นไปในชั่วพริบตาก่อนที่เราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรซะด้วยซ้าเอาละทีนี้ลองดมดูก็ได้ ท่านกล่าวพลางค่อยโบกดอกไม้นั้นไปมาข้างหน้าเราทำให้เราได้กลิ่นหอมชื่นใจอย่างยิ่งลองเอามือจับประคองดูสิโรเยอร์โรเยอร์เอื้อมมือไปกลุ่มดอกไม้ไว้โดยรอบโอ้โหเขาร้องอุทานจริงๆแหละครับดอกไม้ดอกนี้มีชีวิตแล้วผมรู้สึกว่ามีอ่าคล้ายๆกับไฟฟ้าแล่นขึ้นมาตามแขนครับ ไม่ใช่ไฟฟ้าดอกโรเยอร์ Roger. มันเป็นพลังนะ่ะเป็นพลังของชีวิตอย่างที่เธอกล่าวนั่นแหละกระแสพลังนั้นจะทำให้เธอสดชื่นยิ่งขึ้นอแต่ว่าเรายังทดลองกันยังไม่เสร็จดีทีนี้โรเยอร์ Roger. เธอวางกระถางลงบนโต๊ะแล้วเอามือจับลำต้นแล้วลองเขย่าดูแสักเด็กน้อยสิโรเยอร์ Roger, ลองเขย่าดูเบา และทันใดก็ได้ยินเสียงกังวานเบาๆแต่ทว่าแหลมเล็กและแจ่สายอย่างยิ่งดังออกมาจากต้นไม้นั้นด้วยความประหลาดใจและดีใจโรเยอร์ได้เขย่าดูอีกเบาๆหลายครั้งและทุกครั้งก็มีเสียงกังวานไพเราะดังออกมาเวลาเราเขย่าดอกไม้จะเกิดเสียงดังเช่นนี้เหมือนการทุกครั้งหรือครับเขาถาม ใช่ทุกครั้งทีเดียวและอันที่จริงก็หมายความถึงอย่างอื่นนอกจากดอกไม้ด้วยเช่นน้ำเป็นต้นเวลาเธอกวนน้ำก็จะเกิดเสียงเช่นนั้นเหมือนกันแต่สำหรับดอกทิวลิปนี้เมื่อตอนก่อนที่จะให้พลังชีวิตถึงแม้เธอจะเขย่าอย่างไรก็จะไม่มีเสียงดังออกมาเลยเอาละสำหรับเธอว่างๆเมื่อใดก็มาสมัครเรียนได้เลย แต่ในระยะแรกนี้ท่านมองซินเยอคงจะพาเธอไปเที่ยวชมภูมิประเทศสักพักหนึ่งก่อน